ของหลวงพ่อสดหรือพระมงคลเทพมุนีตามที่ท่านบอกให้ทราบหายไปจากนิมิตแล้วสมภารวัดป่ามะม่วงจึงกลับมากําหนดที่พองยุบท่านกําหนดพองห น, ยหนอยุบหนออย่างมีสติต่อเนื่องตลอดเวลาครบสองชั่วโมงแล้วจึงแผ่เมตตาให้สรมสัสตร์ครั้นแผ่เมตตาเสร็จจึงอุทิศส่วนกุศลเป็นลำดับสุดท้าย บุคคลที่ท่านอุทิศส่วนกุศลให้เป็นพิเศษในเช้าวันนี้คือพระมงคลเทพมุนีซึ่งเป็นสมณศักดิ์ที่ได้รับเป็นครั้งสุดท้ายของหลวงพ่อสดว่าที่จริงแล้วเรื่องของสมณศักดิ์เป็นของทางโลกเป็นสิ่งสมมุติ ภิกษุผู้เข้าถึงธรรมย่อมไม่ยินดียินร้ายกับสิ่งนี้แต่นั่นก็มีประโยชน์ในการอบรมสั่งสอนเพราะลูกศิษย์ส่วนใหญ่ยังติดข้องในสิ่งสมมุติคือยังหวั่นไหวดีใจเสียใจเมื่อต้องประสบกับโลกธรรมแปดการที่อาจารย์ของตนได้สมณศักดิ์ซึ่งก็คือยศในสายตาของผู้เป็นคฤหัดความลืมใ ส, ส่ศรัทธา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 มีสิทธิ์ที่สืบต่องานด้านวิปัสสนากรรมฐานพระวิน ญ, ญาคงอายุแก่กว่าท่านหลายปีเนื่องจากได้เข้ามาสู่ร่มกาสวพัทเมื่อกเกษียณอายุราชการแล้วส่วนอายุพรรษาท่านไม่ทราบว่าใครจะมากกว่าเพราะหลวงพ่อสดมิได้บอกไว้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 แต่ถ้าเราจะหมดอายุเราก็ขอแค่ตัวเราพ้นทุกข์บัดนี้ท่านได้ประจักษ์แล้วว่าพระอาจารย์ของท่านได้บรรลุความสำเร็จสมดังปณิธานที่ตั้งไว้ภิกษุวัยสามิอมิรู้ว่าตัวท่านจะสามารถจัดการกับภาระที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงได้หรือไม่กระนั้นก็ตั้งปณิธานไว้ว่า จะใช้ความเพียรพยายามจนถึงที่สุดเรือพงประจัก์มาถึงท่าเตียนเมื่อเวลาหโมงเย็นพระเจริญมากับเนนเฉลียวที่ต้องพาเนนมาด้วยเพราะท่านนำปัจจัยสี่โดยเฉพาะอาหารมีพวกปลาร้าปลาย่าง ปลาเกลือมาเข้าโรงครัวด้วยรู้ว่าที่คณะห้านั้นมีพระภิกษุจากต่างถิน่นมาเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นจำนวนมากจนโยมผู้ใจบุญชักชวนกันมาทำอาหารถวายทำให้พระภิกษุม่ต้องกังวลเรื่องบินทบาทไม่พอเลี้ยงอัตภาพที่วัดป่ามะม่วงก็มีโรงครัวแล้วเช่นกันเพราะเมื่อมีญาติโยมเข้ามาปฏิบัติกันจานวนมากขึ้น เรื่องข้าวปลาอาหารก็เป็นเรื่องจำเป็นเนนเฉลียวช่วยสมพานขนของขึ้นรถสามล้อมาอยัางคณะห้าวัดมห า, าธาตุซึ่งอยู่ขึ้นไปทางเหนือของท่าเตียนพระอุดมวิชาญาณยินดีนักที่ลูกศิษย์ของท่าน จะเปิดสำนักวิปัสสนากรรมฐานขึ้นเพราะการปฏิบัติแนวนี้แม้จะถูกต้องตรงตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกประการหากก็ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่นักปฏิบัติเมื่อยังเป็นมหาโชดกท่านอุตสาห์เดินทางไปร่ำเรียนมาจากประเทศพม่าคนไทยที่คิดว่าพม่าเคยเป็นศัตรูคู่แค้นกันมา ต่างพากันรังเกียตว่าเป็นของพมา่าแต่ความจริงแล้วหาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะแม้คนพม่าก็เรียนจากคำพีที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ครั้งอย่างทรงพระชนชีพอยู่เมื่อเสด็จดับขันธปรินิพานพระอรหรันต่างพากันจดจำสืบสืบกันมาภายหลังได้มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณอักษรกระทั่งกลายมาเป็นคมภี สำคัญทางพระพุทธศาสนามีชื่อเรียกว่าคำพีพระไตรปิฎกสมภารวัดป่ามะม่วงคิดว่าท่านโชคดีที่ได้เรียนจากเจ้าคุณโชดกเพราะหากจะให้ท่านดันด้นไปเรียนถึงเมืองพมา่าท่านเป็นไม่ยอมไปเด็ดขาดเพียงได้ยินคำว่าพม่า ท่านก็รู้สึกร้อนๆหนาวๆเพราะยังจำเหตุการณ์ที่ตัวท่านถูกฆ่าตายอย่างทารุณเมื่อคราวกรุงแตกในชาติที่เป็นแม่ทัพท่านเกลียดชังพมา่ายิ่งกว่าอะไรเพราะชนชาตินั้นได้ทำทารุณกรรมย่ำยีคนไทยอย่างป่าเถื่อนที่สุดกระนั้นก็ยังมีคนไทยที่มักใหญ่ไฟสูงไปเข้าข้างพมา่าเพื่อหวังยศและอำนาจแต่ผลสุดท้ายก็ถูกฆ่าตายทั้งหมด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 ในปีเดียวกันนั้นสา ม, มนเนนอายุเท่าไรแล้วเจ้าคุณอาจารย์ถามขึ้นเมื่อเนนเฉลียวขนของเข้าไปเก็บในโรงครัวแล้วจึงมานั่งถัดจากสมภารวัดป่ามะม่วงเพิ่งจะเต็ม20สิบเมื่อวันพระที่ผ่านมานี่เองครับเนนหนุ่มตอบพร้อมประนมมือ ก็ อ, อายุครบบวชแล้วสิเมื่อไหร่จะบวชละ่ะกาหนดไว้หรือยังพระเจริญเป็นผู้ตอบแทนว่ายังไม่ได้กาหนดเลยครับกระผมคิดว่าให้เสร็จเรื่องการเปิดสำนักวิปัสสนากรรมฐานเสียก่อนแล้วจึงคิดเรื่องนี้ท่านเจ้าคุณอาจารย์คิดว่าจะเปิดวันไหนดีครับที่กระผมมาที่นี่ ก็เพื่อจะกราบอาราธนานิมนต์ท่านเจ้าคุณอาจารย์ไปทำพิธีเปิดสมภารวัยส1บอกจุดประสงค์ของการมาต้องดูอีกทีตอนนี้ยังให้คำตอบไม่ได้เอาไว้เสร็จงานศพลงพ่อเจ้าคุณก่อนแล้วค่อยพูดกันเออฉันหมายถึงหลวงพ่อสดนะ่ะ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 ในสายตาของท่านเมื่อทราบข่าวจึงไม่ได้แสดงอาการโศกเศร้าเสียใจหรือวิตกกังวลแต่อย่างใดท่านก็มาบอกกระผมก่อนหน้าที่กระผมจะเดินทางมานี่เจ็วันครับกระผมก็ตั้งใจว่าจะอยู่ช่วยงานศพของท่านภิกษุวัยส1ต่อดตอผู้เป็นอาจารย์อ๋อถ้าเช่นนั้น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 กระผมก็ตั้งใจว่าจะใช้ความเพียรพยายามจนถึงที่สุดเพื่อสนองพระคุณครูบาอาจารย์ด้วยและที่สำคัญคือเพื่อรักษาพระศาสนาของเราด้วยพิกษุหนุ่มพูดอย่างมุ่งมั่นฉันขอเอาใจช่วยเอาเถอะถึงเวลานั้น เธอจะสำเร็จดังที่ตั้งปณิธานอย่างน้อยหนึ่งอย่างอาจารย์พูดให้กำลังใจผู้เป็นสิทธ์เงียบกันไปครู่หนึ่งพระเจริญจึงถามขึ้นว่าท่านเจ้าคุณอาจารย์รู้จักพระวิญญาลูกสิทธิท่านเจ้าคุณหลวงพ่อหรือเปล่าครับไม่รู้จักฉันคงจะรู้จักท่านเท่าเท่ากับที่เธอรู้เห็นว่า ท่านมีศักดิ์เป็นถึงหม่อมเจ้าแต่ไม่ยอมเปิดเผยตัวเองพวกลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นหมอสิริราชเขาก็ไม่รู้ว่าอาจารย์ของพวกเขาเป็นถึงหม่อมเจ้าพระอุดมวิทยานตอบแล้วในอนาคตต่อไปข้างหน้าวัดปากน้ำจะสอนธรรมกายหรือสอนสติปัฏฐานสี่ครับ พระนุ่มยังคงสงสัยแนวธรรมกายสิเพราะอย่างน้อยก็เป็นอนุสรแก่เจ้าคุณหลวงพ่อในฐานะที่ท่านเป็นผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเป็นคนแรกข่าวว่าพระวิน ญ, ญาท่านไปสร้างวัดใหม่อยู่ที่จังหวัดสระบุรีก็ดีนะจะได้มีหลากหลายออกไป และฉันก็เห็นว่าในอนาคตคนที่สนใจธรรมกายก็จะไม่ลดจำนวนลงเพราะคนเขาอยากร่ำอยากรวยมากกว่าอยากจะบรรลุพระนิพพานตัวเธอโชคดีที่ได้เล่าเรียนมาทั้งสองสำนักต่อไปสำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดป่ามะม่วงจะเจริญรุ่งเรือง เพราะเธอสามารถนำความรู้จากสองสำนักมาใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมวิชาธรรมกายจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องช่วยให้ญาติโยมร่ำรวยเมื่อเขาหมดกังวลเรื่องปากท้องเขาก็จะมุ่งพระนิพพานหรือถ้าใครจะพอใจอยู่กับความร่ำรวย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 ไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นวัดปากน้ำจะไม่มีวันขัดสนเรื่องปัจจัยสี่ตรงข้ามมันจะไหลมาเทมาไม่มีวันหยุดเหมือนน้ำตกจากภูเขาเชียวละวัดปากน้ำจะร่ำรวยและอุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยเพราะเจ้าคุณหลวงพ่อท่าน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 กระผมได้นำคาถานี้ไปใช้กับวัดป่ามะม่วงปรากฏว่าได้ผลครับเมื่อก่อนพระวัดป่ามะม่วงพากันอดอยากปากมองญาติโยมเข้ายากจนเวลากระผมได้รับนิมนต์ไปฉันที่บ้านคนมีอันจะกินกระผมก็ฉันไม่ลงเพราะคิดถึงลูกวัดว่าต้องอดอดอยากๆยากต่อมา มีคนมาสร้างกุฏิกรรมฐานทำให้คนมาวัดมากขึ้นกระผมก็นึกถึงคาถาของเจ้าคุณหลวงพ่อได้และนำมาปฏิบัติเวลานี้วัดป่ามะม่วงอุดมสมบูรณ์แล้วครับถึงจะไม่เท่าวัดปากน้ำแต่ในอนาคตอาจจะใกล้เคียงพระเจริญเล่าความเป็นมาให้เจ้าคุณอาจารย์ของท่านรับทราบ ดีแล้วฉันขอทำนายว่าในการข้างหน้าวัดของเธอจะมีชื่อเสียงระบือไปทั่วทิศทั้งสี่ผู้คนจะหลั่งไหลมายังสำนักของเธอจนวัดอื่นต้องอิจฉาเฉละลแต่ก็ช่างเธอถึงเขาจะอิจฉาก็ทำอะไรเธอไม่ได้ พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าธรรมโมหเวรักขติธรรมะจารีธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติ ธ, ธรรมนอกจากทาอะไรเธอไม่ได้แล้วเขาก็จะมาญาติดีกับเธอมาขอปัจจัยสี่แม้ถูกเทียนที่ใช้บูชาพระเขาก็จะมาขอเธอ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 พระหนุ่มตอบคงไม่ต้องถึงขนาดนั้นกระมังเพราะฉันไม่อยากให้เธอสึกพระอุดมวิทยานทวงและยิ้มนิดๆทำไมต้องสึกหรอครับลูกสิทธิ์ไม่เข้าใจอ้าวก็ต้องสึกไปมีเมียมีลูกเพื่อจะให้ลูกให้เมียเป็นทานยังไงละ่ะ เจ้าคุณอาจารย์ฉเฉลยคงไม่หรอกครับเรื่องศึกผมเลิกคิดมานานแล้วพูดถึงพระเวสสันดรทำให้กระผมคิดถึงโยมยายและเรื่องที่หลวงพ่อช้างเล่าให้โยมยายฟังท่านเล่าว่าพระเวสสันดรพาพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีไปอยู่ที่เขาวงกฏในป่าหิ ม, มพานที่นั่นมีต้นมะกาีผลด้วย ท่านเจ้าคุณอาจารย์คิดว่าจะเป็นจริงตามนั้นหรือเปล่าครับจริงหรือไม่จริงเธอก็จะได้รู้จำคำของฉันไว้นะปี2515เธอจะได้เห็นมักลกีผลที่เขาเรียกอีกอย่างว่านารีผลฉันไม่จำเป็นต้องเห็นฉันก็เชื่อเพราะมันมีเหตุปัจจัย ให้ต้องเชื่อเอาล่ะเธอพาเนนไปพักผ่อนได้แล้วนั่งฟังผู้ใหญ่เขาคุยกันรู้สึกเบื่อบ้างไหมท่านถามเนนเฉลียวไม่เบื่อขอรับกระผมฟังเพลินเลยสมะเนนตอบแล้วสมพา์กับลูกวัดจึงกราบเจ้าคุณอาจารย์สามครั้งก่อนลุกออกไปพระเจริญถามผู้เป็นอาจารย์ว่า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 ที่ไม่ใช่หน้าที่ย่อมเป็นการไม่สมควรเงินสวดพระอภิธรรมศพพระมงคลเทพมุนีมีผู้มาฟังแน่นศาลาทุกคืนทั้งพระภิกษุสัมมเนนแม่ชีและคฤรืหัดพระเจริญกับเจ้าคุณอาจารย์ก็ไปฟังทุกคืนเช่นกันภิกษุทั้งสอง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 ไม่เลือกที่รักมักที่ชงังแต่ประการใดนับเป็นปูชนียบุคคลผู้สมควรแก่การเคารพบูชาโดยแท้ศพของพระมงคลเทพมุนีมิได้มีการชาปนากิจด้วยว่าลูกศิษย์ลูกหาพร้อมใจกันจะเก็บไว้บูชาและมีการสวดพระอภิธรรมทุกวันพระช่วงที่ท่านมรณภาพใหม่ มีสวดพระอภิธรรมติดต่อกันเจ็ดคืนพระอุดมวิชาญาณและพระเจริญไปฟังสวดทุกคืนรูปแรกไปในฐานะเป็นอาจารย์ขณะที่รูปหลังมีฐานะเป็นสิทธิ์ของภิกษุผู้ล่วงรับครั้นครบเจ็ดวันแล้วสมภารวัดป่ามะม่วงกับสมณเณรเฉลียวจึงพากันลาเจ้าคุณอุดมวิชาญาณกลับวัดป่ามะม่วง ส่วนเรื่องการเปิดสำนักวิปัสสนากรรมฐานนั้นเจ้าคุณโชดกจะมาทำพิธีเปิดให้ในวันพระหน้าบ่ายวันรุ่งขึ้นหลังจากชั้นเพนแล้วสมภารวัดป่ามะม่วงเตรียมตัวจะไปสอนกรรมฐานให้ญาติโยมบนศาลาบุรุษผู้หนึ่ง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 หากไม่ได้โยมอาตอมาก็คงไม่จบมัธยมสามเพราะเกเรมากท่านนึกถึงความหลังตอนเรียนมัธยมสาซึ่งไม่ต้องซ้ำชั้นเพราะได้เพื่อนดีในกลิศเป็นลูกคนอิสานพ่อแม่มาจากจังหวัดสุรินทร์ปลูกกระท่อมหลังเล็กอยู่บ้านห้วยแก้วท้ายวัดไหลมีอาชีพรับจ้างทานาได้ค่าจ้างปีละยี่สิบบาทสมัยนั้นข้าวราคาเกวียนละ บาทนายกฤตเป็นลูกชายคนเดียวตัวดําเป็นเนียงหน้าตาขี้ริ้วมีไฝเม็ดโตที่ริมฝีปากหากจะเทียบกันเรื่องความหล่อเหลาท่านกินขาดแต่ถ้าเรื่องเรียนเก่งนายกฤตก็กินขาดเช่นกันต่างฝ่ายต่างก็มีดีคนละอย่างจึงเป็นเพื่อนกันได้และนายกฤิตก็ชวนให้ท่านขยันเรียนจนท่านจบมัธยมสได้อย่างภาคภูมิ ในกริได้ไปรเรียนต่ อ, อยังประเทศฝรั่งเศสโดยไปกับญาติซึ่งเป็นคนใช้ของทูตเขามาลาท่านและท่านก็ได้ไปขอเงินโย ม, มารดาให้ไปห้าช่างต้องอ้อนวอนอยู่นานกว่าแม่จวนจะยอมให้ครั้นจะขอยมยายนะหรือเมินซะชาติหนึ่งเพราะกระบวนการขี้เหนียวไม่มีใครเกินใหญ่จางแห่งตำบลบางม่วงหมู่ โยมเรียนจบด็อกเตอร์แล้วหรือครับจบหลายปีแล้วตั้งแต่อายุ25ห้าก็หปีเต็มผมแต่งงานและมีลูกชายสามคนอาศัยอยู่บ้านพันยาที่ฝั่งทนวันหลังจะนิมนต์ท่านไปเยี่ยมบ้านผมบ้างนะครับตกลงคืนนี้ค้างที่วัดนะมีเรื่องคุยกันเยอะเลยเอาไว้โอกาสหน้าดีกว่าครับ ผมจะพาลูกเมียมากราบท่านด้วยวันนี้ต้องขอตัวเพราะพรุ่งนี้ผมต้องทำงาน